สิกขาบทที่หถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้บวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบส2องปียังไม่ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีณนะที่ไหนตอบ ทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบส2ปียังไม่ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหกข้อตลอดสองปีในสิกขาบทที่6นั้น มีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐานละ